อขอน้อมน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยโครกาสเพื่อสนมิมิตรชุ น, นชั่นเจริญธรรมม่ชีและนักเรียนนักปิบัตธรรมทุกท่านเนะเาะแล้วนั่งสบายะบาย <c oughs> แล้วก็วัดป่าสุโตก็ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนนักครูลุงเรียนลุงอดุลนเนาะแล้วก็เพิ่งจะเดินทางมาถึงในเย็นวันนี้ ครั้นี้เราทําไมต้องมาปฏิบัติธรรมกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคือเราเจะเป็นคนอชอบเผลอคิดอยู่เป็นประจำใช่ไหมคิดนู่นคิดนี่เราจะเป็นคนคือเมื่อใดก็แล้วแต่นะพอเราเผลอแป๊บเดียวก็จะไปคิดต่างๆน ะ, ะเวลาเราเรียนที่โรงเรียนก็เหมือนกันใช่ไหมเราก็บางทีฟังคุณครูสอนไปนะ ใหม่ๆล้วก็ตั้งใจฟังแต่สักพักหนึ่งล้วก็คิดเผลอแวบนะใจลอยนะใจลอยไปแล้วก็คิดไปเรื่อยๆนะกว่าจะกลับมาก็นานใช่ไหมคราวนี้คุณครูก็สอนผ่านไปแล้วแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะเราไปคิดเรื่องอื่นเนาะหรือแม้แต่เราในปกติเราก็จะใจลอยนะฟุ้งซ่านเผลอต่างๆเป็นไปจำใช่ไมอันนี้ เนี่ยก็เป็นผลในาการเรียนหนังสือของเราด้วยนะแล้วก็ทำให้เราเป็นคนไม่ค่อยมีสติต่างๆตามมาเป็นคนขี้หลงขี้ลืมเนาะเพราะว่าเราเราการเรียนหนังสือจะต้องมีสตินะมีสมาธิในการเรียนนะตรงนี้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิการเรียนเราก็ก็จะไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเนานะครันะ้นี้เราก็มา มาฝึกกันให้เรามีสติเกิดขึ้นเนาะตอนนี้นักเรียนทุกคนนะเอามือมือขวามามาตีแถวหน้าตักเราดูดูหน่อยนะทุกคนลองทำดูมือมือขวาเนาะทุกคนนะลองทำดูมือเอามือมาอมาติตีที่หน้าตักเรานะลองทำดูทุกคนเลยเนาะ อันนี้นะีคือถ้าเรานั่งนิ่งๆนะนั่งนิ่งๆแล้วเนี่ยตัวคนมากส่วนมากส่วนใหญ่เมื่อนั่งนิ่งๆแล้วก็มักจะเผลอคิดไปหรือใจลอยนะคิดไปนูน่นคิดไปนี่คิดไปแน่ดีหรืออนาคตเป็นไปย่ำใช่ไหมอันนี้คือเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะเพื่อเมื่อใดที่เราอยู่นิ่งปั๊บเนี่ยนะมันก็จะเริ่มคิดทันทีนะคิดไปเรื่องนูน่นเรื่องนี้คิดไปเรื่อยๆ คิดไม่มีที่สิ้นสุดเนาะอันนี้ก็เรียกว่าเราเผลอคิดหลงคิดใจลอยฟุ้งซ่านเนาะครันนี้สังเกตไหมว่าเราเราก็มีการตีตตเนี่ยเป็นการสัมผัสรู้นะให้ให้เขากลับมารู้สึกในตรงนี้ใช่เพราะว่าเมื่อใดที่ใจไม่มีเครื่องรู้อยู่นะเขาก็จะแล่นไปจะไหลไปจะเผลอไปจะหลงไป นะใจลอยเป็นประจำใช่แต่เมื่อเราให้เขามีเครื่องรู้อยู่บ้างแล้วนะเขาจะรู้ตรงนี้อยูนะ่เป็นเครื่องรู้ของใจนะนะเพราะเราเคยสังเกตว่าใจเราเนี่ยจะไม่ค่อยใจลอยนะเขาก็จะกลับมาสัมผัสรู้นะที่เราทำให้เกิดขึ้นมาจะมาสัมผัสรู้นี่แหละตรงนี้ก็เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันเนาะเพราะการอยู่กับปัจจุบันเนี่ย ตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะมันเป็นความรู้สึกตัวขึ้นมาทำให้เรา ม, มีสติอ่ามีสติอยู่กับการรับรู้การสัมผัสใช่ไหมตรงนี้มันเป็นสัมผัสที่เรารับรู้ได้ง่ายๆเลยนะใช่ไหมนะการตีๆนะตอนนี้ให้ตีทุกคนเลยนะอย่านั่งนิ่งๆเนาะจะได้จะได้สังเกตที่อาจารย์จะแนะนําได้ถูกต้องอันนี้อันนี้ถือเป็นการเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วเนาะเพราะฉะนั้นต้องอยากนั่งนิ่งๆกันไม่งั้นจะไม่เข้าใจ นะมีเครื่องรู้อยู่นะเดี๋ยวจะได้ฟังแล้วเข้าใจมากขึ้นนะเพราะเมื่อไรที่เรานั่งนิ่งๆแล้วนะใจมันจะมีหน้าที่คิดมันก็คิดไปเรื่องนูน้นเรื่องนี้คิดเรื่องนี้เสร็จไปคิดเรื่องนั้นต่อคิดเรื่องนั้นเสร็จไปคิดเรื่องนู้นต่อนะนั่นะนะก็เรียกว่าเราหลงไปคิดไปนาดีหรือนาคตทั้งนั้นเลยใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเราอะมีบางอย่างที่มีการเคลื่อนไหวอเช่นการตีนี่เป็นต้นนะใจเราเนี่ย แทนนี้ก็จะไปคิดต่างๆมากมายก็จะกลับมารู้แทนใช่ไหมกลับมาลูการตีนะถึงเราไม่ตั้งใจเขาก็รู้ใช่ไหมเพราะเป็นการสัมผัสรู้เราไม่ได้ไปคิดเอาแตเเ่เป็นการสัมผสัสที่เกิดขึ้นที่เราสามารถสังเกตเขาได้เนาะตรงนี้ใจเราก็จะมะีมีความรู้ได้บ่อยๆมากขึ้นเนาะเขาเรียกว่าการที่เราใจลอยนะฟุ้งซ่านหรือเผลอคิด อันนี้เรียกว่าเป็นความหลงใช่ไหความหลงสิ่งที่มาตรงข้ามกับความหลงหรือว่าไปแก้ความหลงก็คือความรู้นั่นเองใช่ไหมเพราะเมื่อใดที่เราหลงเราก็ไม่รู้เนาะแต่เมื่อไรที่เรารู้เราก็จะไม่หลงนะเมื่อไรที่เราหลงเยอะเราก็รู้น้อยเมื่อไรเรารู้มากเราก็หลงน้อยนะเพราะนั้นสิ่งที่เรารู้นี่แหละก็เรียกว่าเป็นคู่ปรับกับตัวหลงนะ อันนี้เราก็ต้องสร้างขึ้นมาก่อนให้ใหจิตนี่มีเครื่องอยู่มีเครื่องสังเกตเนาะจิตก็สามารถที่จะรู้ในตรงนี้นะเขาเรียกว่าเขารู้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองใช่ไหมนะการเที่อยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นความรู้โดยตรงเนะี่ยมันไม่ต้องใส่ความคิดนะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากการสัมผัสรู้อันนี้เป็นความจริงในขณะนี้นะนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นความจริงในขณะนี้ออันนั้นไม่ต้องอาศัยการคิด แต่เป็นการอาศัยความรู้เท่านั้นเองใช่ไหมเช่นเราตีตีเราก็ไม่ต้งคิดว่ากําลังตีนะไม่ต้องคิดกําลังตีแต่ว่าเราอาศัยความรู้นะเราก็รู้สัมผัสรู้อยู่แล้วนะมันออกจากความคิดได้นะออกจากความคิดมามาเป็นรู้แทนใช่ไหมหรือเรานั่งเราก็ไม่ต้งคิดว่าเรากําลังนั่งแต่ว่ามันก็เป็นความรู้ใช่ไหมเราก็รู้กําลังนั่งได้ไม่ต้องอาศัยความคิดเลยหรือการได้ยินเสียงพูดใช่ไหม ก็ไม่ต้คิดว่ากําลังได้ยินนมแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจริงนีมันถึงอาศัยความรู้นะเพราะฉะนั้นการที่เราอาศัยความรู้มันจึงออกจากความคิดได้เนาะแต่เราก็ไม่ได้ไปห้ามความคิดนะแต่ว่าเราอาศัยความรู้นี่แหละมันจออกจากความคิดได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอาศัยความรู้เนี่ยออกจากความคิดได้ถ้าไม่อาศัยความรู้นะความคิดก็จะเกิดขึ้นก็มันจะเป็นการที่เข้าไปในความคิด แล้วก็หลงก็้าไปในความคิดแล้วก็เผลอใจลอยแล้วก็ฟุ้งซ่านนั่นเองนะเพราะามันไม่มีไม่ได้อาศัยความรู้นั่นเองมันจึงเข้าไปในความคิดเป็นความหลงไปใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อตอนอกลางวันเรารับประทานอาหารกับอะไรเนาะอันนี้เราต้องใส่ความคิดแล้วใช่ไหมหรือเมื่อวานเราทําอะไรก็ต้องใส่ความคิดเนาะหรือว่ า, าคืนนี้จะทําอะไรพรุ่งนี้จะทําอะไรก็ต้องใส่ความคิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ใช่เป็นปัจจุบันสิ่งใดที่ไม่ใช่ปัจจุบันต้องใส่ความคิดใช่ไหมอดีตหรือนาคตต้องใส่ความคิดแต่ว่าเมื่อเราเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเราจึงไม่ต้องใส่ความคิดเราใาส่ความรู้เท่านั้นเองใช่ไหมเช่นการสัมผัสรู้นี่แหละออกจากความคิดได้เลยใช่ไหมมันเป็นการที่เรามาสัมผัสรู้ให้เกิดขึ้นในตัวเราเนาะตรงนี้มันมันเป็นการที่เรียกว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันเนาะ เมื่อเราอยู่กับปัญันแล้วเราจะสังเกตว่ามันจะมีการนะตื่นรู้อยู่ใช่ไหมตื่นรู้ก็หมายความว่าใจเนี่ยมันจะเริ่มตื่นใช่ไตื่นรู้ในการสัมผัสรู้นะสังเกตนะจิตมันจะเริ่มตื่นรู้ขึ้นมาเพราะถ้าเรานั่งนิ่งๆแล้วจิตมันก็ไม่ตื่นรู้มันก็บางทีมันก็กลายเป็นหดหูกลายเป็นซึมเศร้ากลายเป็นความง่วงกลายเป็นนิ่งๆหรือเฉยๆเยนาะแต่เมื่อเราสัมผัสรู้นะ จิตจะตื่นรู้ขึ้นมาได้นะตีเล่นๆสบายๆเบาๆอวางใจสบายๆนะตีเบา ๆ, ๆเล่นๆ เ, เ, เนี่ยจิตจะตื่นรู้ขึ้นมาได้นะนี่เราสังเกตดูเออตื่นรู้นะนะถ้าถ้าใจเราไปรับรู้ในตรงเนี่ยก็ここเรียกเป็นความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวหมายความว่าอะไรเกิดขึ้นในกายเราก็แล้วแต่นะอมืมีการเคลื่อนไหวมีการกระทบเกิดขึ้นเราใจไปรับรู้ <c oughs> การที่ใจไปรับรู้นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวแต่ถ้ามีการ <c oughs> แต่ถ้ามีการเคลื่อนไหวนะหรือว่ามีการกระทบแล้วแต่ใจไม่รับรู้นะใจก็ใจลอยก็มีนะบางทีเราเคลื่อนไหวเนี่ยหรือกระทบนี่ใจก็ลอย <c oughs> การที่ใจลอยเนั่นเขาเรียกว่าเราตรงเนี้ยไม่ไม่รู้สึกตัวนะเพราะฉะนั้นคำว่ารู้สึกตัวก็คือเมื่อใดที่มีการเคลื่อนไหวในกายเราหรือมีการกระทบ ต่างๆมีการสัมผัสเกิดขึ้นแล้วใจไปรับรู้ในตรงนั้นเป็นความรู้สึกตัวเกิดขึ้นแล้วเนาะตรงนี้มันจะเรียกว่าเป็นปัจจุบันธรรมนะปัจจุบันธรรมก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตรงหน้าเรานี่แหละตรงหน้าเราแล้วมีการรับรู้เกิดขึ้นแล้วนะอันนี้เป็นความรู้สึกตัวเป็นปัจจุบันแต่ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในตรงหน้าเราเนี่ยเราไม่ม ร, รับรู้เลยไม่ไม่รับรู้เลยนะนน อันนี้ก็เรียกว่าไม่ไม่รู้สึกตัวก็ไม่ใช่ปัจจุบันนะนะเพราะนั้นนะถ้าเราเข้าใจนี้เราจะวางใจได้เออมันก็สบายๆนะเราก็ไม่ไปทำอะไรมันเพียงแต่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็รับรู้ไปเราก็รู้อาศัยาการเคลื่อนไหวอ า, าอาศัยการสัมผัสมารับรู้ในสิ่งตรงนี้นะวางใจสบายๆเล่นๆเนท่านั้นเองนะไม่ต้องไปตั้งใจอะไรเหมือนเราตีๆนะเราสังเกตได้ไหมว่าเรา วางใจสบายๆนะเราไม่ได้ไปเพ่งอะไรเขาเลยนะแต่บรั้มันก็เกิดการสัมผัสรู้ได้ใช่เมื่อสัมผัสรู้ตรงนี้แล้วมันจะรู้สึกรู้เฉยๆนะรู้เฉยๆรู้ซื่อๆนะเรสังเกตดูนะมันจะเป็นการรู้ที่เราว่ารู้แบบไม่ต้องไปเอาอะไรกับมันไม่ต้องรู้ว่าทำไมรู้แล้วต้องได้อะไรรู้แล้วต้องเป็นอะไรอันนั้นไม่ถูกต้องนะมันจะเป็นการรู้แบบรู้เฉยๆเท่านั้นเองนะรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้แบบ ไม่ต้องไปเอาอะไรกับมัน mm hmm. นะถเถราวางใจได้เงี้เราจะสบายใช่ไหมแต่ถ้าเราวางใจไม่ถูกต้องคือนะมันรู้สึกตัวแล้วต้องดีนะต้องมีสตินะต้องอมีความรู้สึกตัวต้องไม่เผลอไม่คิดไม่หลงนะอันนั้นวางใจไม่ถูกต้องก็คือเราจะไปเอาอะไรกับมันใช่ไหมมันจะไม่รู้ตื้อไม่รู้เฉยเพราะว่าเราอยากจะได้เนาะอยากจะได้ดีอยากจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะตรงนี้มันไม่ถูกต้องนะ นะแต่ถ้าระวังใจสบายๆทําเล่นๆแล้วรู้ซื่อๆรู้เฉยๆแค่นี้เองนะเราจะเข้าใจโอ้มันก็แค่นี้นะมันไม่ต้องมีอะไรเยอะใช่ไหมเพราะเรารู้งี้ปุ๊บเราก็ไม่ไปเพง่งไม่ต้องเอาดีมันก็ไม่ไปเพง่งนะเมื่อไม่ไปเพง่งจิดก็เผลอได้นะก็มีความคิดแว บ, บไปแวบบมาแวบบไปแวบบมาแต่มันจะต่างกันใช่ไหมเมื่อก่อนมันจะคิดยาวนะคิดบางทีคิดไปเลยครึ่งชั่วโมงนะ่ะนั่งนิง่งๆคิดไปเรื่อยๆ แต่สังเกตดุไหมเราวางใจอย่างเงี้ยสบายๆเล่นๆไม่ต้องเอาอะไรกับมันรู้ซื่อๆรู้เฉยๆไม่ต้องบังคับอะไรมันเลยมันก็เผอได้นะมันก็เดี๋ยวก็คิดแวบไปเหมือนกันแต่สังเกตได้ว่ามันจะกลับมานะมันจะกลับมาเร็วขึ้นมันจะรู้ได้เร็วขึ้นนะมันคิดแวบไปมันก็รู้รู้ได้รู้ทันได้ไวขึ้นใช่ไหมมันไม่ได้คิดยาวสมัยก่อนนะมันก็จะกลับมากลับมาตรงไหนกลับมาที่ที่เรากระทบนี่แหละ ที่เราสัมพันธ์รู้นะเพราะนั้นมันจะเป็นการชักกระเยอะกันชักกระเยอกันระหว่างความหลงคิดไปกับความรู้ใช่ไหมเกิดการชักกระเยอกันขึ้นแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนมันไม่มีชักกระเยอะมันก็หลงอย่างเดียวหลงยาวเลยนะแล้วเราไปช่วยเขาหลงต่างหาไปช่วยเขาคิดติดเนาะอันนั้นหลงยาวแต่เมื่อเราทําตรงนี้แล้วนะมันก็ชักกระเยอะกันระหว่างรู้กับหลงใช่ไหมคือมีรู้ขึ้นมาตัวนึ่งก็เริ่มชักกระเยอแล้วเออ เดี๋ยวก็หลงไปเดี๋ยวก็กลับมาอ่ากลับมาเดี๋ยวก็หลงไป <_ d ick> เดี๋ยวก็กลับมานะอันนี้นะเนี่ยอันนี้ตรงเนี้ยมันจะสังเกตได้ว่าเออเมื่อกี้เราก็คิดไปแล้วนะอ่าเราจะนึกได้เอ้เมื่อกี้คิดไปแล้วเนะี่ยเดี๋ยวกำลังคิดอะไรอยู่ก็รู้ใช่หไหมมันมันมันจะไวขึ้นกว่าเก่าใช่หไหมจิตเนี้ตื่นรู้นะตรงเนี้ยถ้าสังเกตมันจะตื่นรู้นะมันจะไม่ไม่ซึมเศราอ่าไม่หดหูไม่ง่วงนะัแล้วมันก็ไม่นิ่งนิ่งไม่เฉยเฉแต่มันจะตื่นรู้ขึ้นนมาะ ตรงนี้เป็นการเขย่าท่านรู้นะเป็นการเขย่าท่านรู้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมแต่ก็นี้ความคิดนี่ก็จะบอกครั้งนึงว่าความคิดก็มี2 อ, อย่างก็คือการตั้งใจคิดเนาะตั้งใจคิดเช่นเร า, เาวางแผนจะทําอะไรพุ่งนี่จะทำอะไ ร, เ, ร, ะไรเดือนหน้าจะทําอะไรปีหน้าจะทำอะไรอันนี้เป็นการาตั้งใจคิดอันนี้ไม่ได้เป็นความหลงใช่ไหมแต่ความหลงก็คือเราไม่ตั้งใจคิด เขาเผลอคิดเขาคิดเขาเองใจลอยอันนี้คือความหลงคิดเนาะความหลงคิดนี่มีมากมายมหาศาลเลยนะอนะมีการประเมินว่าคิดประมาณวันละห้าหมื่นครั้งใช่ไหมแต่ตีสักเราตั้งใจคิดตีสักร้อยครั้งก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นที่เหลืออีกสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยครั้งก็คือมันเผลอคิดเองเนาะเพราะนั่นมันจะเผลอคิดมากใช่ไหมคราวนี้ <c oughs> พอเรา เรามาสังเกตความคิดได้แล้วนะเราก็รู้ว่าเออเขาไม่ได้ไปใจลอยนานนะเขาก็กลับมาได้ไบ่อยๆใช่กลับมาได้เรื่อยๆนะสติก็จะเริ่มโตขึ้นมานะเขาเรียกว่าวิธีการเนี่ยเป็นการรู้ทันนะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาในกายและใจเรานะตามรู้กายตามรู้ใจเนาะสติก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆใช่ เพราะนั้นเราไม่ได้ให้จิตสงบนะเราไม่ได้ว่าไปบัตธรรมให้จิตสงบนะไม่ไดต้ตีตีให้จิตสงบนะแต่จิตสงบเองก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่เราเราตั้งใจให้สงบหรือเราตั้งใจให้มีความสงบให้เกิดสมาธิอันนั้นก็ไม่ใช่นะอ่านั้นไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเป้าหมายในการเจรษษิญสติแต่เป้าหมายในการเจริญสติก็คือให้ให้เข้าตื่นรูนะ้ให้จิตเขามีตัวรู้เกิดขึ้นก็เรียกเป็นการเขย่าท่านรู้ใช่ไหม คือคนเราเนี่ยมีธาตุรู้ทุกคนใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้นี่มันมีทุกคนอยู่แล้ว mm. ใช่ไหมแต่นี้มันไม่ได้ทํางานเต็มที่นะคือเราก็มีสติอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่มีสติแต่ว่ามันมันมีน้อยมันมีไม่พอใช้เนาะตรงเนี้ยเราเราจะไม่ทันนะบางทีคนมาด่าเรามานินทาเรามาว่าเราเราก็มีความโกรธใช่ไหมโกรธโกรธเขาใช่ไหมนะอันเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้นะ มีใครเข้ามากระทบเราเราก็ไม่พอใจน ะ, ะต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรามีสติไม่พอใช้นะเราจึงมีความโกรธเนาะโกรธแล้วบาทีแล้วก็ไปไปว่าเขากลับนะไปด่าเขากลับหรือไม่ก็ไปทำไํำลายเขาก็มีใช่ไหมบางคนน ะ, ะบางทีคนขับรถไปนะขับรถไปขับรถมาคันนี้ไปปาดหน้าอีกคันนี้คันนี้ไม่ยอมไปปาดหน้าเขากลับนะ คันนี้ไม่ยอมปานหน้าเขากับนะปรากฏว่าคันหนึ่งก็มีมีปืนพอดีนะมีปืนพอดีเลยก็เกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความโกรธมากเลยเนี่ยมันดูถูกเราอะไรโมโหมากนะอะก็เลยไปไปยิงเขาตายก็มีนะอันนี้มีมีข่าวนะไปยิงเขาตายทั้งทึงที่ไม่รู้จักอะไรกันเลยใช่ไหมไม่รู้จักไม่ได้โกรธเคือมาก่อนแต่ว่ามีความโกรธรูไม่ทันนะก็ไปิฆ่าเขาตายใช่ไหมบางคนนะอะ บางทีพ่อแม่เราไม่ตามใจเรานะเด็กบางคนไม่ตามใจเนี่ยเนาะบางคนโอ้อันตรายมากนะนะขอไปซื้อของบางอย่างที่มันไม่ดีเน่ยพ่อแม่ไม่ไม่ให้ก็โกรธมากเนาะบางทีไปทําร้ายพ่อแม่ก็มีมาเราก็เคยฟังข่าวมาหรือบางคนก็ทําอันตรายกับพ่อแม่อันเนี้ยอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าเรามีความโกรธแล้ว ร, รู้ไม่ทันพอทําแล้วก็เสียใจทีหลังใช่ไอันเนี้ยเขาเรียกว่าสติเราไม่พอใช้เนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย มันก็นําความทุกข์มาให้เรานะสติเราไม่พอใช้เรามีความทุกข์ต่างๆจากการที่เราโกรธบ้างนะหรือไม่ก็หงุดหงิดน้อยใจเสียใจนะเหงาเครียดกลัวนะอิดชานะนะต่างต่างแล้นี้นำความทุกข์มาให้เราทั้งนั้นเลยเพราะสติเราไม่พอใช้นั่นเองใช่ไหมครวนี้นะพอเรามีความรู้เกิดขึ้นบ่อยคือเรามาเขย่าทานรู้นะตอนแรกเราก็อาศัยการกระทบรู้นี่ก่อนใช่ไหม ง่ายๆนี่ก่อนเอร์กระทบรู้นะมันอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆนะ เ, เราสังเกตดูนะถ้าตอนนี้ใครติดตีนะ่าจะฟังว่าเออที่อาจารย์พูดจริงไหมใช่ไหมเราจะเริ่มสังเกตความคิดได้แล้วนะเออมันคิดไปนะเราก็รู้ทันคิดแล้วรู้ทันใช่ไหมการที่เราคิดแล้วรู้ทันเนี่ยอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะคือเมื่อเรารู้ทันความคิดได้ต่อไปเราจะรู้ทันอารมณ์ได้นะอารมณ์ต่างๆเช่นความโกรธเป็นต้นใช่ไหม มาก่อนใครก็มาดา่าเรานี่เราก็จะโกรธเขาเลยนะหรือไม่ก็ว่าเขากลับหรือไม่ก็แสดงกิริยาไม่พอใจต่างๆให้เขาเห็นใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเอออันนี้เราตติแล้วไม่พอใชจแต่เมื่อเราเริ่มเห็นความคิดได้แล้วนะอ่า ต, ต่อไปถ้ามีใครเข้ามาดา่าเรานะเราจะเริ่มเห็นโอ้ขนาดนี้นะมันเริ่มมีอะไรในใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่า ความโกรธนะมันเกิดจากความคิดนั่นเองใช่เราต้สังเกตได้ไวขึ้นนะสมมติว่าใครก็มาด่าเราปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนเราจะคิดโอ้ด่าเราทำไมนะเรื่องคังนี้ทาไมต้องมาด่าเราไม่รู้หรือว่าเราเป็นใครนะนะเราคิดปุ๊บมันก็จะโกรธเลยใช่ไหมมันจะโกรธเลยนะนะเพราะว่าเรารู้ไม่ทันนะก็คือมันเกิดจากความคิดนั่นเองใช่ไห แต่พอตอนหลัง เ, เขาก็มาดาเราอย่งเก่าเนี่ยแต่เรามีสติแล้วนะเราก็รู้ทันเออขณะนี้มันกําลังคิดนะทำไมมาด่าเร า, เ, าเราไม่ทําผิดสัหน่อยด่าได้ไงคือเราจะเริ่มเห็นความคิดแล้วใช่ไหมเมื่อเห็นความคิดมันจะเริ่มเห็นความโกรธได้ใช่ไหมความโกรธนี่มันสิ่งเราสังเกตได้โอ้ตอนนี้กาําลังหงุดหงิดแล้วนะกำลังขัดเคืองแล้วกําลังไม่พอใจแล้วเมื่อเราเห็นชนิด้ปุ๊บเนะี่ยความโกรธก็จะลดลงลดลงไปเองใช่ไหมมันมันเข้าไม่ถึงความโกรธหรอกคือมันจะเห็นอารมณ์ได้ก่อนนะ อารมณ์อารมณ์แรกๆนี่แหละความงุนงงความไม่พอใจเราเห็นแล้วเมื่อเห็นแล้วมันก็จะลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆเพราะความโกรธมันก็มีน้อยนะเหลือจะหมดไปเลยก็ได้ใช่ไหมเพราะเรารู้ทันใช่ไหมเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เรารู้ทันนั่นเองนะรู้ทันความโกรธและการรู้ทันความโกรธเพราะอะไรเพราะเกิดจากการเราที่เรารู้ทันความคิดนั่นเองใช่ไหมเนี่ยตรงนี้มันมันเกิดเป็นทักษะขึ้นมาในการที่เราว่า จิตเขามีกําลังในการที่จะกลับมารู้ขณะนี้กําลังเกิดอะไรขึ้นมาในกายในใจเราใช่ไหมคราวนี้เราจะไปตั้งใจรู้รู้ใจเนี่ย <c oughs> มันก็รู้ไม่ได้ใช่ไหมเราจะไปคอยดูความโกรก็ดูไม่ได้ใช่ไหมต่อคอยดูความคิดก็ดูไม่ได้ใช่ไหมเพราะอยู่ดีๆเราจะไปดูได้อย่างไรน ะ, ะ ส, สูงเรานั่งนิ่ ง, งๆแล้วจะไปคอยดูความคิดเนี่ยก็ดูไม่ได้อีกใช่ไหมก็คือเราต้องไปเพ่งดูเออมันจะคิดเมื่อไหร่ต้องไปคอยเพ่งดูพอไปเพ่งเพ่งดูปุ๊บความคิดก็ไม่เกิดใช่ไหม นะพอเพิ่มองเรื่อยๆก็เกิดการมึนหัวนะเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายใช่ไหมเกิดความแน่นความอึดอัดนะหรือว่านะรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมชาตินั่นเองนะมันมันจะแน่นจะตึงจะเครียดนะมึนหัว น, นี่คือระวังวางใจไม่ถูกนั่นเองใช่ไหมนะเพราะว่าเราตั้งใจดูความคิดปุ๊บมันจะไปเพ่งไปจ้องทั้งนั้นเลยนะนะ หรือเราจะไปดูความโกรธก็ไม่ได้ความโกรธยังไม่เกิดนะเป็นยิ่งไปดูมันมันยิ่งไม่เกิดหรอกใช่ไหมมันก็หลบหลบไปเลยใช่ไหมเพราะวิธีการง่ายๆก็กลับมารู้ที่กายก่อนนะเรากลับมารู้ที่กายก่อนเพราะวิธีการบัดรำนะกลับมารู้ที่กายก่อนใช่ไหมอย่างที่ตอนนี้ให้เราตีมา <seja> เราก็กลับมารู้ที่กายรู้ส ures, ัมผัสนี่ใช่ไหมเราก็เลยไม่ได้ไปคอยดูความคิดไม่ได้ไปเพ่งดูอะไรทั้งสิ้นเลยมาตีนะรู้ซื่อๆรู้เฉยๆเท่านั้นเองนะ เราก็จะสามารถเห็นความคิดได้แล้วเี่ยเขาคิดแวบไปก็รู้ทันคิดแวบไปก็ดูทันโดยที่ไม่ได้ไปเพ่งเขาเลยไม่ได้ไปตั้งใจดูไม่ได้ไปเพง่งแต่เราก็เห็นความคิดได้ใช่ไหมคิดแวบไปก็รู้อไหลไปก็รู้นี่แหละกําลังสติก็จะเกิดขึ้นในตรงนี้นะเพราะเราก็ลองบอกว่าเออไม่ใช่ว่าเราไปบัตรธรรมแล้วมันต้องไม่คิดนะต้องจิตสงบอันนั้นไม่จําเป็นใช่ไหมแต่ถ้ามันคิดแล้วเรารู้เนี่ยตรงเนี่ยมันมันจะทําให้เป็นการเขยา่าท่านรู้ให้เขาโตขึ้นมาใช่ไหม ถ้าเขาคิดสักสิบครั้งเรารู้สักห้าครั้งเนี่ยถ้ารู้มันเริ่มโตแล้วใช่ไมเพรเมื่อก่อนคิดสิบครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เลยหรือรู้สักครั้งสองครั้งแต่ถ้าเราอคิดสิบครั้งแล้ว ร, รู้สักห้าครั้งเนี่ยเออตอนนี้ทารู้นะเริ่มโตมาแล้วใช่ไหมนะตรงนี้เราจะเริ่มสังเกตใจได้บ่อยๆนะจากเมื่อก่อนที่เราเป็นคนหลงเก่งเป็นคนเผลอเก่งนะเราก็จะสังเกตได้ diz, โอ้ตอนนี้เราเผลอไปแล้วนะเผลอคิดไปแล้วอ่ะ หลงไปแล้วนะตอนนี้ถ้าใครคิดถึงบ้านนะรับประกันได้เลยมันไม่ได้คิดยาวฮะมันไม่คิดยาวหรอกใช่เราก็กลับมารู้ทันแต่ถ้าเราคิดถึงบ้านเป็นไงเราก็เราจะนึกถึงเออที่บ้านกาลังทำอะไรอยู่นะตอนนี้กาลังกินข้าวกำลังดูโทรทัศน์หรือจะไปเที่ยวกันนะอันนี้เราก็เพลิดเพลินไหลเข้าไปแล้วใช่ไหลก็ไปแล้วนะอันนี้มันหลงไหมนะ บางทีคิดไปแล้วเออทำไ ม, มเรามาอยู่วัดนี่เราน่าจะไปเที่ยวกับเขานะเราก็มีความทุกข์แล้วใช่ไหมเพราะเราเร า, เราหลงไปเราไหลไปแต่ตอนนี้ถ้าเราเออมาตีตปุ๊บมันไหลไปไม่เป็นไรนะมันไหลไม่ยาวแล้ตอนนี้การคิดเอ๊ะที่บ้านกําลังทำอะไรเนาะมันก็รู้ทันอกลับมาแล้วนะมนไม่ไม่คิดต่อแล้วะ เ, เดี๋ยวจะไปเที่ยวไปดูหนังไป ก, งกินนู่นกินนี่เราก็ไม่คิดต่อมันรู้ทันแล้วเออตอนนี้ที่บ้านกาลังทำอะไรปุ๊บมันรู้ทันก็กลับมาแล้วนะอันนี้เราก็เห็นไหม กำลังสติเมาเกิดขึ้นแล้วนะก็กลับมาอยู่อยู่กับเนื้อกับตัวเรานี่แหละมันไม่ได้คิดยาวเพราัยก่อนใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าจิตเราเริ่มตื่นรู้แล้วใช่ไหมมันก็ไม่ได้ทุกไม่ได้ทุกข์เข่าแล้วนะแล้วก็เป็นยังไงนะเมื่อก่อนเราก็เผลอยาวนะเวลาฟังครูสอนนะอ่าใหม่ๆเราก็ฟังไปเรื่อยๆอ้าวแป๊บเดียวก็เผลอคิดไปโน่นคิดไปนี่มช่ไหเราก็เราก็ขาดขาดทุนใ네ช่ไหมขาดทุนเมื่อเราฟังคือตอนนี้เราเผลอคิดเป็นเลยเลยไม่ได้ฟังครูพูดนะช่วงนี้มันก็หายไปช่วงนึงแล้ว ตรงนั้นจะเป็นข้อสอบก็ได้อาจจะเป็นข้อสอบสาคัญก็ได้แต่เราเราเราฟังฟังไม่ทันเมื่อเราเคยคิดไปใช่ไหมแต่เมื่อเรามีสติปุ๊บเออมันก็คิดอย่งเกานะ่าเนแต่มันจะกลับมากลับมาได้ไวขึ้นคือมันมีทักษะในการกลับมาแล้วใช่ไหมพอใหม่ๆก็ต้องอาศัยตัวเนี่ยเป็นเครื่องเครื่องให้เขากลับมาให้ได้ก่อนใช่ไหมเช่ น, นอ่ายกตัวอ ย, ย่างการติดตีมามันก็กลับมาได้ไว яд, กลับมาได้ไวขึ้นแล้วหลังนั้นมันจะมีทักษะในการกลับมาคือจิตเราเนี่ยมันฝึกได้ใช่ไหม คือเมื่อก่อนนัถ้าเราไม่เคยฝึกนั้นใจใลอยนานนะแต่เราฝึกคือจิตมันเริ่มตื่นรู้แล้วนะมันจะมีกําลังจะมีกําลังของเขามันก็จะกลับมาได้เองใช่ไหมกลับมาได้เองอีกหน่อยมันมันก็มีกําลังมันจะกลับมาได้ไวขึ้นกลับมาได้ไวขึ้นไวขึ้นตรงเนี้เราฟังครูสอนนะเมื่อก่อนมันบางทีมันเผลอไป5นาทีเลยนะตอนหลังเออมันก็เริ่มมีทักษะเมืเผลอปุ๊บเรากรู้ทันอ๋อเผลอไปแล้วนะกลับมาแล้ว嘛 บางทีเพิ่แค่นาทีเดียวนะเราก็กําไร4นาทีแล้ว4ีนาทีเป็นอาจจะเป็นข้อสอบก็ได้ใช่ไหมเนี่ยมันก็กลับมันได้เร็วขึ้นนะเนี่ยกำลังสติเรามีปุ๊บเขาเรียก ว, ว่าตอนนี้เรามีมีมีเงินพอใช้แล้วใช่ไหมมีเงินมีเงินพอใช้แล้วเราก็ไม่กลัวนะไปไหนเราก็ไม่ไม่กลัวอะไรเรามีกําลังสติแล้วใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นการที่เร า, าฝึกเนี่ยมันจะมีการยกมือสร้ยอยยังหวะเดินจงกรมอะไรหลาย ๆ, ๆอย่างเนี่ยอันนี้เหมือนกับว่าเราเวลาไปเราไปหัดว่ายน้ำใช่ไหม ในสาในสาว่ายน้ำํำเราก็ต้องใช้โฟมนะใช้แผ่นโฟมสมัยก่อนจะใช้ห่วงยางนะสมัยก่อนเนี่ยแต่สมัยนี้ก็ใช้แผ่นโฟมนะล้วก็ใช้แผ่นโฟมคือใหม่ๆแล้ว่ายน้ำไม่เป็นเราต้องใช้แผ่นโฟมช่วยจะได้ไม่จมน้ำเอาแผ่นโฟมมาไว้ที่หน้าอกเราแล้วก็นอนคว่ำเาว่ายน้ําไปก็ไม่จมใช่ไหมเนี่ยใหม่ๆต้องใช้แผ่นโฟมช่วยแต่เมื่อเราว่ายน้ําเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องใช้แผ่นโฟมก็ได้เราก็ว่ายตัวเปล่าๆได้เลย อันเนี้ยอีกหน่อยเราก็ว่ายน้ําโดยที่ตัวเป่าได้อันนี้ก็เหมือนกันนะเรามาเจริญสติมาฝึกในรูปแบบก่อนหมายความว่าเราก็เป็นแผ่นโฟมนะให้มันฝึกได้ง่ายขึ้นใช่ไหมฝึกง่ายขึ้นแต่ตอนหลัง น, นี้พอเรามีสติได้บ้างแล้วนะเราก็เหมือนกับเราก็ไม่ต้องใส่รูปแบบเยอะใช่ไหมเราก็ไปเรียนหนังสือเราก็มีสติได้มากขึ้นครูสอนเมื่อก่อนเราใจลอยไปเรื่อยๆตอนนี้เราจะใจลอยสั้นลงใช่ไหมเมื่อก่อนนั้น อ, อาจจะมีเพื่อนเรามาด่าเราเราก็โกรธเลยนะ ตอนหลังเพื่อเรามาดาบเราปุ๊บเราจะรู้ทันเออขนาดนี้ก็เลิ่มจะโกรธแล้วนะเออมันก็เลยไม่โกรธใช่ไหมอันเนี้ยตรงนี้เลยว่าเออเราไปใช้ประโยชน์ได้ได้จริงๆงเนาะเพราะเราก็อาศัยตรงนี้นะเวลามาเข้าคอร์สเจ็ดเจ็ดวันนะมามามาฝึก <c oughs> มาฝึกไปบัติธรรมกัน <c oughs> ตรงนี้นะถ้าเราฝึกได้ตรงนี้นะจะได้ประโยชน์เยอะเลยบางทีมีมีพระนะเออจะมาศึกษาอาจารย์นี่แหละถามว่ามาบวชได้กี่วัน บางคนบอกว่ามาบวชได้15วันถามว่าเออมาบวชแล้วได้อะไรบ้างเขาก็บอกนะเออเขามาแล้วเนี่ยเขาก็มาปฏิบัติธรรมเขาก็มีสตินะมีความคิดก็เห็นความคิดได้เห็นความคิดเนาะแล้วก็มีความไม่พอใจก็เห็นเห็นความไม่พอใจได้อาจารย์บอกว่าเนี่ยจริงๆเราได้แค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วนะคุ้มค่ามากเลยใช่ไหมเพราะการที่เราเห็นความคิดได้นะั้นเราก็ไม่หลงความคิดยาว เราเห็นอารมณ์ได้เช่นความโกรธนะเราก็ไม่โกรธมากแบบสมัยก่อนนะโกรธสั้นๆเหรือจะไม่โกรธเลยนะตรงนี้กําไรมหาศาลใช่ไหมมันดีกว่าถูกรถเตลรางวันที่1นงต้องเยอะใช่ไหมคนถูกรตเตลีวันที่1นึ่น ะ, น, น, น, นะได้เงินก็จริงนะแต่ว่าเขาเป็นไงเขาก็มีความทุกข์ใช่ไหมก็มีความโกรธนะอ่าเราก็ไม่เห็นความคิดเขามีความทุกข์มากใช่ไหมนะทุกตลอดชีวิตเลยแต่คนที่มามาบวช น, นะสิวันก็ได้แค่เนี้ยโอ้บอกว่าเนี้ย เอาไปฝึกต่อนะมันมันดีกว่าถูกรัตตุลีวันทีน่1ต้องเยอะใช่ไหมเพราะมันออกจากความทุกข์ได้จริงๆออกจากความโกรธได้เราก็สบายนะเราก็ไม่ทุกข์แล้วนะอารมณ์ต่างเรารู้ทันเราก็ไม่ทุกข์แล้วนะเนี่ยแค่นี้นะมันกําไรจริงๆเนาะนะนะนะบางคนนะถ้าเขาเข้าใจเนี่ย ร, รู้ว่าจริงๆแล้วนะมันได้ประโยชน์เยอะเลยนะให้เราถูกรัตตุลีวันทีน่1ก็ยังสู้การที่เรารู้เท่าทันความคิดเหลือลมไม่ได้ใช่ไหมเพราะการที่เราเห็นความคิดเราก็จะไม่เข้าไปในความคิดใช่ไหม เมื่อก่อนเราจะคิดเป็นอดีตเยอะๆเลยโอ้คนนั้นมาด่าเรามาทําร้ายเราเพื่อนเรามาตีเร า, เามาพูดไม่ดีกับเราเนะีเราคิดแล้วก็โกรธแล้วก็ไม่พอใจเวลาเราเจอเพื่อนเราก็ไม่อยากจะพูดคุยกับเขานะว่เาเรายังนึกไม่พอใจอยู่เรื่อยๆนะอันนี้เรียกว่าเราเราเร า, เราติดกอดีตใช่ไหมเราเข้าไปในความคิดมันก็เลยเข้าไปในอดีตด้วยนะแต่ตอนหลังเราก็าคิดอย่งเก่านะเออ เมื่อสักอาทิตย์ก่อนเพื่อนมาตีเรามาด่าเราเรารู้ทันปุ๊บนะมันก็ไม่ไปคิดต่อมันก็มันก็หยุดไปมันก็ไม่มันก็ไม่ไม่เกิดอารมณ์มากนะมันก็ไม่โกรธเพื่อนนะเจอเพื่อนเราก็ยิ้มย้มแจ่มใสเขาเนี่ยมันออกจากความทุกข์ได้ออกจากความทุกข์ได้ไวนะตรงเนี้จะมีประโยชน์กับชีวิตเราเราถ้าเราพัฒนาต่อไปนะตอนนี้เราอยู่มสหน่อยเราก็อยู่มห้ามหต่อไปก็เข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมมหาวิทยาลัยนี่ต้องเจอ คนหลายประเภทนะเยอะแยะเลยคนที่อารมณ์ต่างๆเยอะแปรปวนนะครบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีใช่ไนะเราก็จะแปรปวนไปด้วยนะถ้าเราไม่มีสตินะเราก็มีแต่ความทุกข์บ้างสุขบ้างอารมณ์ต่างๆเข้ามาเยอะแยะเราถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็ติดอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นใช่ไหมความรักความโลภความโกรธความหลงเยอะแยะเลยใช่ไนะอันนี้นาความทุกข์มาเราทั้งนั้นเลยนะแต่เมื่อเราเราฝึกในตอนนี้นะ เมื่อกเราฝึกว่ายน้ําเป็นแล้วน ะ, ะต่อไปเราไปไหนก็ว่ายน้ําเป็นคือเรารู้ทันความที่รู้เท่าทันลามนี่แหละมันก็อยู่ไม่นานนะก็มันมาก็ไปหลุดไปออกจากลมได้ง่ายขึ้นนะเราเรียนมาอะไรแล้วก็สบายเออไม่เป็นไรนะอารมเราเป็นปกติได้บ่อยๆนะใครมาไม่ดีกับเราแล้วก็ไม่เป็นไรใครจะอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่มีลมมากใช่ไหมเพรา ะ, ะนั้นความโกรธความหงุดหงิดความขัดเคืองความน้อยใจความเสียใจ มันมีมากมายแต่เมื่อเราไม่เป็นแล้วเราก็มีความทุกข์น้อยนะอันนี้มันได้ประโยชน์เยอะเราพลังนั้นเราไปทำงานใช่ไหมทำงานเนี่ยสำคัญมากนะยิ่งต้องเจอคนหนักนะคนที่ไม่ดีเนี่ยเยอะแยะเลยน ะ, ะเมื่อเราเจอคนที่ไม่ดีต่างๆคนที่ทำให้เราไม่พอใจนะหรือไม่เอาใจใส่ไม่เอาใจเราคัดใจเราเนี่ยนะนี้เรามีความทุกข์มากใช่ั้ย แต่ถ้าเรามีกําลังสติแล้วเนี่ยจะรู้ว่าจ ร, จริงๆแล้วพวกนี้นะมันจัดการไม่ยากใช่ไหมอารมณ์ต่างๆมันเป็นเรื่องไม่ยากเลยนะให้เรารู้ทันเขาตรงนั้นเลยนะเขาก็จะเบาลงน้อยลงแล้วก็อ่าชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นแล้วเราจะมีความก้าวหน้าในชีวิตของเรานะทั้งโลกเราก็ก้าวหน้าทั้งธรรมเราก็เจริญก้าวหน้าเนาะประจา ก, การที่เรามามาฝึกแค่เจ็ดวันนี้แหละเราไปใช้ได้จริงๆใช่ไหมตรงนี้นะมันเหมือนกับเราไหวน้ําเป็นแล้วนะเราเรือไปล่มที่ไหนก็แล้วแต่นะ ลมในทะเลในคลองในแม่น้ำละวายน้ําเป็นชัน้นใดชั้นนั้นนะอารมณ์เราเหมือนกันนะเราไปเจอที่ไหนอารมณ์ต่างๆที่เรากระทบแล้วนะถ้าเราสามารถรู้เท่าทันได้นะมันก็ทำอะไรทำลายเราไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้นะนี่คือประโยชน์ที่ต่อไปอมันจะนําไปใช้ได้จริงๆเนาะเพราะใหม่ๆก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะให้เรากลับมารู้สึกตัวให้ได้ก่อนนะเอาตรงง่ายๆนี้ก่อนนะเราจะรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันไม่ยากในะการไปทำนี่เนาะ เอาละนะตอนนี้เราก็ในท้ายสุดนี้ก็พวกเราตั้งใจบัตรธรรมนะต้องให้มีความสุขความเจริญในทางโลกทางธรรมและเรียนหนังสือเก่งๆคือไปทุกทกคนด้วยเทินพุทธทาง